เทศลงตาลงตาพูดเร็วไปเพราะมันไม่เคยชินบ้านนอกลงตาพูดภาษากลางอีกต่างหากแล้วก็พูดภาษาธรรมะอีกต่างหากถ้าคนไม่ตั้งใจฟังน่ฟังจะไม่เข้าใจแต่ถ้าว่าตั้งใจฟังแล้วจะเข้าใจแต่ถึงยังไงนะสหรับพวกเราผู้ปฏิบัติตั้งแต่สองทุ่มไปนะหลวงพ่อบอกได้เลย สองทุ่มไปจนถึงตีสี่ตีหนะ้านจนถึงธรรมวัดเช้าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ธรรมะที่เขาอัดมา เ, เขาอัดเทปหลงตามมาเขาจะออกออกมาเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นถ้าใครอยากจะฟังให้ฟังช่วงนั้นช่วงตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปเวลาดึกสงัดตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมาแล้วก็ ทำมันนั่งภาวนามันง่วงแล้วก็เปิดเทปเปิดวิทยุของหลวงตาแล้วก็นั่งภาวนาไปด้วยกำหนดจิตไปด้วยแล้วก็อย่าเป็นเปิดฟังแต่ทีเดียวในช่วงที่เปิดฟังก็เปิดฟังในช่วงที่ดับก็ดับปิดวิทยุแล้วก็นั่งภาวนาต่อหรือเรานั่งภาวนา เ, เป็นอันดับแรกพอนั่งนาน ทำมันงว่วงทำมันงว่งวงง่วงง่วงแล้วก็เปิดวิทยุฟังอีกนั่นหละหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะเพราะว่าท่านเทศธรรมภ า, าคปฏิบัติทั้งนั้นที่หลวงพ่อฟังฟังดูตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีสตีห้าตีห้าพระท่านก็ทำวัดเช้าวพวกเราจะทำวัดเช้าด้วยกว็ได้าาศรัทธาญาติโยม สรุปแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมของเราขาดการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวเท่านั้นะ่ะเราเดินไปไม่ถูกทางเพราะว่าธรรมะคำทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระธรรมที่ชี้แนะชี้นำทางด้านจิตใจจิตใจคือคืออะไรคือคือความรู้ความนึกคิดความรอบครอบ แต่ถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเราจะรู้ด้วยตนเองหรือว่ารู้ได้ไม่ต้องมีใครสอนนอกจากสยามูและมองไม่เห็นนอกจากสยาม พ, พูพระพุทธเจ้าสยามูรู้แจ้งโลกแต่ขนาดท่านท่านก็ยังค้นคิดอยู่ทั้งหกปี ลองผิดลองถูกเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงวิชาทางด้านจิตใจขนาดวิชาห ย, ยาบหยาบทำให้เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างวิชาอาชีพกันค้าการขายการเกษตรการทํางานราชการงานเมืองยังมีคนหยาบละเอียดต่างกันอย่างหมออย่างนี้เหมือนกันทั้งที่เข้าไปเรียนด้วยกันผ่าตัดด้วยกัน ก็ยังมีความหยาบละเอียดต่างกันเพราะเหตุใดเพราะความสังเกตปัญญารอบครอบต่างกันบางคนก็ทำแบบปลุบปลุบปรับ่ทั้งที่น่าจะดีกว่านั้นทั้งที่รู้รู้อยู่ว่าจะทำยังไงดีก็ยังทำไม่ได้มีตังเยอะแยะไปไม่ต้องพูดถึงทางด้านจิตใจถ้าด้านจิตใจแล้วก็ยิ่งมองไม่เห็นคือนมามธรรมเราจะทำใจยังไงเราจะคิดยังไง เราจะปรับปรุงยังไงเราจะจับสมาธิเข้าสู่จิตใจอย่างไรต้องศึกษาทั้งนั้นในเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องทดสอบถ้าทดสอบมันจะได้ทีเดียวไม่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องลองผิดลองถูกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกที่ท่านลองมาแล้วท่านทำมาแล้วท่านทำมาก่อนพวกเราแล้วเหมือนกับพวกเราทามาค้าขาย ถ้าว่าทำมาค้าขายทำที่ใดรวยทุกทีทุกทีทุกทีทกทคนก็คงจะเป็นเศรษฐีมานมนานแล้วเป็นเศรษฐีเกือบทุกคนแต่นี่เพราะว่ามันทำไปแล้วมันขาดทุนก็มีสูญทรัพย์ไปก็มีได้กำไรนิดหน่อยก็มีได้กำไรมากก็มีอยู่ตัวก็มีขาดทุนก็มีอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาเราจะให้ได้กำไรทุกครั้งก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น บางทีเขาเหมือนกขาไม่เคยภาวนามาก่อนเลยเวลานั่งภาวนานขาวนี่เข้าท่าใช่จิตใจสงบแน่วนิ่งพิจารณาอะไรก็เห็นชัดเจนจิตใจก้าวหน้าได้ดีในช่วงนี้ขณะนี้เราก็พยายามเดินตามพยายามทําเข้าไปมันก็ไปได้แต่พอไปในในระดับหนึ่งมันไปนยังไงก็ไม่รู้ไปเจอกับ หลักต่อไปเจ อ, อ, อกับโคตรหินอะไรก็ไม่รู้มันถอยหลังกูดกูดกูดกูดกูดเนี่ยอพอมันถอยหลังมาทีนี้เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานะใช้ศรัทธาเฉยๆไม่พอได้ถ้ามันถอยหลังมาละมันต้องใช้สติคือใช้ปัญญาพิจารณาอีกหารูทางอีกมันทําไมมันถอยถอยเพราะอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูอีกในเมื่อมันถอยมาเราก็พยายาม สู้เข้าไปเองฮะสู้ต่อหลายครั้งต่อหลายหนเราก็รู้จักเกลี่ยเหลี่ยมของจิตใจรู้จักเกลี่ยงเหลี่ยมของกิเลสภายในจิตใจเฮ้มันปล่อยสอนออกมางนั้นเถอะปล่อยลูกกระุนออกมาเราก็รู้ได้รับได้เออมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เพราะมันไปสัมผัสอย่างนั้นเพราะมันไปรับรู้อย่างนี้เพราะมันไปให้ความสําคัญอย่างนั้นมันจึงมีจุดนี้ขึ้นมานะ เพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราไม่ควรจะให้ความสำคัญหรือควรจะพิจารณาอย่างไรในจุดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันที่พวกเราท่านทั้งหลายสับปะสัตทั้งทั้งโลกมือนนั้นสรรปสัตทั้งโลกถอยออกมาด้วว่าสู้มันไม่ได้นี่แหละเรื่องการมาราคะพูดอย่างนั้นชัดเจนเลยไม่ต้องพูดอ้อมค้อมเาือนนั้น ถึงใครจะพูดหรือไม่พูดก็ตามถึงจุดนั้นแต่ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่มันห้ำหั่นทางจิตใจของเราทุกทุกสัพสัตในโลกพูดอย่างนั้นได้ถึงจะพูดหรือไม่พูดก็ตามถึงจะทำหรือไม่ทำก็ตามถึงจะแก่เท่าชะลายังไงก็ตามถึงจะง่อยเปี้ยเสียขาอย่างไงก็ตามมันมีอยู่ในจิตใจมันไม่ใช่อยู่ในกายอย่างเดียวมันอยู่ในจิตใจด้วยลึกๆเพราะนั้น เราจะทำยังไงเราจะแก้ไขยังไงเนี่ยอันนี้ต้องใช้หลักธรรมะทำคำสั่งสอนให้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันมีอะไรจากนั้นก็จึงจะถอนขึ้นมาได้ถ้าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันถอนไม่ขึ้นนะจุดนี้นะเพราะเหตุไรเพราะมันฝังรากรึกมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นตัวบุงตัวหนอนนะอใส่ตรงใส่เดือนมันมีทั้งนั้นมันสะสมมาเรื่อยๆ จนเป็นถึงเทวบุตรเทวดามีแต่พรมเท่านั้นตัวนี้ห่างไปบ้างถอยไปบ้างกิเลสส่วนหยาบเทวเทวดายังมีแต่ว่าสัตว์นรกไม่มีเพราะว่ามันทุกข์เกินไปที่จะคิดในสิ่งเหล่านี้ได้พอมันทนทุกข์ทุกข์ทรมานแต่นอกจากนั้นขึ้นมาแล้วมีตัวกับทุกข์สรรพสัตว์ทั้งหลาย ถ้าว่าใครส่งเสริมเข้ามาก็ยิ่งพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านบอกตรัดไว้ว่ามีพระอนาคามีเท่านั้นที่ตัดได้โดยเด็ดขาดพระโสดาบันยังมีพระอนาคามีตัดโดยเด็ดขาดเพราะนั้นท่านจึงไม่มาเกิดในโลกนี้อีกว่างั้นเถอะคล้ายๆว่าตัดสายหน่วงเหนียว สายที่มันจะลังสายสลิงตัวนี้ลวดสลิงตัวนี้มันนวงเหนียวเพราะว่าเราจะไปเกิดในนรกาสายสลิงตัวนี้ก็ยังถ่วงลงไปในนรกพอขึ้นไาไปเวียงไปที่ไหนมันก็ยัง่วงเหนียวอยู่มันยังไม่ขาดถึงจะไปเกิดเป็นพรมมันสายตัวนี้ก็ยังนวงเหนียวอยูอ่แต่มันน้อยมากคล้ายๆว่า ม, มันละเอียด มันก็นยังมีเชือกดึงไว้อยู่มันไม่ขาดกลับมาในโลกอีกมาพอกพูนขึ้นมาอีกหนาแน่นขึ้นไปอีกจนกว่าเป็นพระอนาคามีตัดได้โดยเด็ดขาดพอตัดปุ๊บไปสู่พรมสุทวาตห้าชั้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นเป็นอนันตาการไปเลยจ้ะพอตัดตัวไหนตัดกรรมกิเลสกรมราคะราคะโทสะโมหะ กิเลสตัวราคาพอตัดราคาได้นะตัดโทสะกระเด็นไปพร้อมกันนะพระนาคามีนี่ตัดราคากับโทสะพอตัดราคาได้โทสะกระเด็นไปพร้อมกันเลยสรุปแล้วก็คือโทสะมันคงจะคงอิงเจ้าราคาเพราะงั้นแนหะพราราคาเนี่เป็นเป็นลากแก้วถ้าจะเปรียบเทียบกับราคาเนี่เป็นลากแก้ ว, ท ว, กาากกวโทสะเนี่ยเป็นลกักลักฝอยรากหากิน พอใจไม่พอใจโมโหโทโโสาขึ้นมาแต่ลากแก้วในะอย่างลึกพอถอนลากแก้วขึ้นมาแล้วลากฝอยมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ล้มลงถึงจะล้มลงไปแล้วก็ตามมันยังมีขอนไม้อยู่ น, นั่นนี่แหละคือความหลงมันยังมีอยู่มันจะต้องขึ้นไปย่อยอีกอยู่ในสุดทวารห้าชัน้นเมื่อไปย่อยความหลงออกจาก จิตจักใจของพระนาคามีจากนั้นก็นั่นแหละเข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายไม่ลงมาอีกเลยอย่านั้พระนาคามียไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกตัดขาดในแผ่นดินเพราะตัดกาดนั่นแหะอย่างที่ว่าการมราคะราคะกระโทสะกระเด็นออกจากจิตใจของพระนาคามีเพราะนั้นที่จะกระเด็นได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะการศึกษาอย่างที่ว่าเบื้องต้น พอการศึกษาทางลงมือประพฤติปฏิบัติลง ม, มือประพฤติปฏิบัติแล้วพิจารณาพิจารณาอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นกัพิจารณาร่างกายเกสาโลมานักขาทัานตาตะโจเนี่ยเกผมขนเล็บฟันดังนี่แหละเป็นหินรับปัญญามันหลงอยู่จุดนี้ในเมื่อพิจารณาจุดจุดนี้พิจารณาเข้าสวนึกร่างกายสังขารทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมเขาตายให้เห็นอยู่ เราเห็นไหมสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายตายให้เห็นอยู่เห็นไหมมนุษย์ตายให้เห็นอยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายให้เห็นอยู่เราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อเราเห็นอย่างนั้นความยึดมั่นถือมั่นหรือความรู้เท่ารู้ทันความปล่อยวางมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อปล่อยปล่อยปล่อยวางทางกายแล้วกันที่ปล่อยวางทางใจนี่แหละเมื่อปล่อยวางทางใจก็นั่นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจไปให้ความสําคัญสิ่งเรานั้นจึงสําคัญถ้าว่าเราต่อยปล่อยจิตปล่อยใจตัดใจอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกับเราถอนรากแก้วเท่านั้นจะไห น, นแล้วก็ลากฝอยมันคือโทสะลากแก้วคือราคะมันหยางรึกมันหวานชฉ่ำอีต่างหากนะคิดแล้วอย่าคิดพูดแล้วอยากพูด ทำแล้วอยากทํำตัวราคะแต่โทสะมันร้อนนะอพอมันโกรธเข้าไปแล้วมันไม่อยากจะโกรธอีกเหมือนกันนะมันร้อนเหมือนกันเนอ่ยมัโมโหขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยมันปวดหัวอมันทุกข์เหมือนันนี่ะโทสะมันร้อนแต่เจ้าราคาไม่เป็นอย่างนั้นอจําแล้วอยากจะําอีกคิดแล้วอยากจะคิดอีกพูดแล้วอยากจะพูดอีกทําแล้วอยากจะทําอีกเพราะเหตุใดเพราะมันมันลึกในจิตใจ เพราะฉนั้นถ้าถอนตัวนี้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละไม่มาเหยียบโลกนี้อีกว่างั้นเพราะะฉนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะนักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายอืสรุปแล้วก็คืออย่ามองที่อื่นนะที่พูดทั้งหมดนะให้มองจุดนี้เพรางั้นออให้ดูจุดนี้ให้มองจุดนี้ให้ดูแลจุดนี้ให้มากมากมากกว่าปกติเพราะงั้นท่ะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร